<c oughs> ยังไงฟังเทศหลวงต า, าศาสตร์ธรรมะหลายรสหลายชาติได้อุบายลหลายๆอย่างก็ดีอุบายธรรมะ ทุกเที่ยวมีแต่หลงตาสมายทเที่ยวนี่ให้หลวงต า, าศาสตรท่านให้ธรรมะโลกโลกของกายโลกของกายก็มีหลายโลก โลกตับโลกไตโลกไสโลกหลายๆอย่างโลกของใจก็มีโลกใหญ่ๆ่โลกโลกโลกโกรธโลกหลงโลกหลงเนี่เป็นเป็นประธาน คืกระแสกระแสไฟกระแสธาตุมันสัมผัสเข้าไปมันกระแสกระแสกิเลสเหมือนกันละ่ะกระแสขอมความหลงกระแสควาอมหลงมันเดียวดิมันถึงต่อเนื่องมันถึงกระจายไปเป็นโรคเป็นโกรธ มูลเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์ทั้งทางกายทางใจนี่มันมันไปจากนี่แหละโมหะโมหะมูลโมหะมูลโทสะมูลโลภะมูลสามอย่างในหลักธรรมท่านบอกไว้ นี่แหละเป็นโลกของใจทําให้เกิดความทุกข์ทางใจความไม่สบายทางใจถ้าใจสบายแล้วทุกอย่างสบายหมดใจดีใจสบายใจไม่มีทุกข์ก็หมดสิ้นสุดกันเท่านั้นแหะสิ้นสุดที่ใจไม่มีทุกข์ ทุกของใจไม่มีเพราะไม่เพราะไม่หลงเพราะไม่หล ง, เ พ, ลงเพราะมีเพราะมีวิชาแสงสว่างที่มันหลงเพราะเพราะไม่มีวิชาท่านจึงว่าเอาวิชาอา่ะนี่แปลว่าไม่ คำว่าวิชาก็เรียกว่าความรู้เหมือนกันวิชาอาวิชาวิชารู้แจ้งอวิชาเติมอ่าเข้าไปมันไม่รู้แจ้งเท่า น, นั้นล่ะมไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงมันก็หลงพอหลงแล้วก็งมก <c oughs> ็งมก็คว้ากันไปกับเป็นโรคเป็นโกรธไปนี แต่มเนนเกาหลีชาวเกาหลีมาบวชอยู่ด้วยสององค์องหนึ่งบวชให้เป็นพระแล้วละ่ะแต่องค์หนึ่งยังอายุน้อยอยู่อายุยี่สิบเจ็ดปีบวชเป็นเนนเป็นเนนจากเกาหลีมาแต่อาจารย์อาจารย์ที่อยู่เกาหลีนันให้บวชจากพมาก่าตามสายของ ถ้าสงพมา่าเนนเน่ก็บวชเป็นเนนเดียยว่าเป็นเนนตามสายของพมา่าเอามาอยู่ด้วยก็มาบวชให้ตามตามวิธีของไทยเราตามวิธีของคณนะ สงธรรมยุทธในประเทศไทยเราบดเมียนให้แต่วก็สอนให้ภาวนา <c oughs> สอนให้ภาวนาเขาก็รู้ในเบื้องต้นก่อนที่จะสนใจมาบวชเนี่ยเขาไปอ่านไปอ่านเจออนิจจาวัตสังขารา ทั้งขายทั้งหลายมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงก็เลยเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงก็เข้าใจอย่างนี้เวลาเจอใครก็มีครอบครัวมีครอบครัวพูดกับครอบครัวสอนครอบครัวก็มันไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งหมด อยู่ด้วยกันไปมาทั้งครอบครัวก็อ้อแล้วมันไ ม, ไม่ไม่เที่ยงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พาอเขาก็เลยบวชเ น, น้นน่ะคือนั่นเป็นจุดเป็นเหตุที่จะต้องการศึกษาธรรมะที่นี่เขาก็ไปศึกษาถึงเรื่องฌานถึงเรื่องฌานเรื่องยาน ความรู้อันนั่นอันนี้ก็มีมความประสงค์อยากจะเป็นผู้มีญาณความรู้ในสิ่งต่างๆต้องการอยากมีชาญคำว่ามีชาญเนี่ยก็จะมีอำนาจรู้อะไรได้หรือเพ่งอะไรให้อะไรจะให้เป็นอะไรได้ ก็เข้าใจไปอย่างนั้นแต่ที่นี่ก็มาสนใจว่าการสอนภาวนาแบบกรรมฐานครูบาอาจารย์ของเราที่สอนภาวนานาปานสติภาวนาพุทโธที่นี่ขั้นมาอยู่ศึกษาด้วยก็สอนให้ภาวนาพุทโธ ให้จับสติสติเป็นสิ่งสำคัญตั้งมั่นมีสติเป็นธรรมที่อุปการะกับใจควบคู่กับใจกำหนดรูบริกรรมพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกด้วยความมีสติจะอธิษฐานเดิน จงกลมให้มากหรือว่านั่งภาวนาให้มากสู้มันจะเก็บจะปวดมันจะทุกข์อะไรต่ออะไรแไม่ต้องถอนไม่ต้องท้อถอยให้มีงานสติกับใจกับความรู้กับคำมริกรรมเนี่ย ตัวนี่จับให้มั่นตั้งให้แน่วแน่ด้วยสติสอนให้ปฏิบัติให้ภาวนาอย่างนั้นแต่พอทำไม่ได้ก็กำหนดไปนิดนิดน้อยผมก็ส่งไปตามสัญญาอารมณ์อนุณอันนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ไม่ได้กำลังของสมาธิไม่ได้กำลังของสติ เป็นตัวของตัวเองเมื่อไม่ได้ฐานของสติสมาธิแล้วการส่งส่ายของใจก็เป็นสัญญาอารมณ์ที่นี่เมื่อมีอะไรกระทบเข้ามาก็ไปยึดไปถือก็เกิดความโกรธเกิดความ ไม่พอใจกับสิ่งน่นสิ่งนี่สุดท้ายก็กลายเป็นใจฟุ้งซ่านคิดไปข้างหน้าคิดไปที่น่นจะสบายอยู่อย่างนั้นจะสบายอยู่ยงงยยที่สงบงบเงียบไม่ต้องมีผู้มีคนไม่ต้องให้เห็นคนไม่ต้องเจอคนจะเป็นที่สบายก็ปงไปเรื่อยเลยเราว า, วาดมโนภาพ ทั้งหน้าไปเรื่อยไม่มีสติกับพุทโธให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ต่อเนื่องกันไม่เป็นกำลังคือถ้าก็เกิดความอุ่นวายเกิดความร้อนพอมีหมูเพื่อนตักเตือนสอนอุบายต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆก็ ไม่พอใจเกิดเป็นความโกรธพอเกิดเป็นความโกรธพอไม่พอใจมันก็ร้อนมันก็ยิ่งเป็นทุกข์บางทีก็ว่ายอยู่ที่นี่ไม่สบายก็จะลาไปที่อื่นก็เลยเตือนที่นี่มัน การพูดภาษากันไม่ค่อยเข้าใจเขเลยพูดเป็นภาษาบาลีบอกว่าราคคินาโทสะคินาโมหะคินาในภาษาบาลีเพราะว่าโทสะคินาเขาก็เข้าใจเข้าใจความหมายอืเพราะความโกรธเพราะไม่พอใจมันจึงทําให้ร้อน เมื่อใจร้อนแลมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ร้อนมันก็ไม่สบายไปด้วยพอเข้าใจความหมายนี่แลวก็ก็เลยหยุดก็เลยอยู่ยังยังไม่ยังไม่ไปที่อื่นนี่ไม่มีอะไรจะทำให้เกิดความร้อนก็มี ความหลงไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วก็เกิดโทสะเกิดโลภะเกิดราคะความกำหนัดย่อมใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากอันึงงว่าตัญหาเมื่อมี เมื่อมีอมีผัสสะมีผัสสะเอความยินดีความพอใจในสิ่งนั่นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็เกิดเวทนาคือความกวนกวายเมื่อมีเวทนาความกวนกวายก็อพราะเกิดความอยากอยากให้มันสุขอยากให้สบาย อยากให้หายจากความกวนกะวาย <c oughs> นี่ก็เป็นตัณหาที่เมื่อมันมีความอยากอันนี้แหละมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ความร้อนความกวนกะวายขึ้นเมื่ออยากในกามกิเลส อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสมบัติอะไ ร, ะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ไปตามความอยากนั่นเมื่ออยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นแต่มันยังมีมันยังเป็นก็เป็นทุกข์เป็นความร้อนอีก อ, อยากให้เป็นมันไม่เป็นอยาก ไม่ให้มีแต่มันมีมันก็เลยเป็นความทุกข์เป็นความร้อนเรียกว่าร้อนเพราะตัณหาเพราะความอยากทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะความอยากเพราะไม่รู้ความจริงแห่งความอยากและสิ่งที่ถูกอยากว่ามันเป็นอะไรตามเป็นจริง เรียกว่ามันมาจากโมหะนั่นอย่างเดียวเท่านั้นแหละเรียกว่ามาจากอาวิชชาคือความไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องมาทําวิ ช, ชาให้เกิดขึ้นอมาทําวิ ช, ชาให้เกิดขึ้นก่อนวิ ช, ชาที่จะเกิดคือความรู้ จริงเจริงเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากความเชื่อมั่นมาจากศรัทธามาจากสัจจะมาจากอธิฐานะคืออธิษฐานไว้ตั้งสัจจะไว้เชื่อมั่นไว้เชื่อมั่นไว้ในการ ทำความดีในการภาวนาในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งสติลงมือกระทำหรือตั้งสติกับใจให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ขาดว่าขาดตอนถึงว่าภาวนาภาวนาสร้างสติให้ตอนเมื่องจนเป็นกำลัง แห่งความมั่นคงเป็นสมาธิตั้งมั่นนะก็ที่ก็มาโยนิโสมณสิการทินิพิจารณาในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับก จ, จิตใจให้รู้ <c oughs> ให้รู้จริตทีนี่เพราะว่าแต่ละแต่ละจิตแต่ละใจแต่ละคนมันจะมีจะมีจริต หรือว่าอนุสัยที่ท่านเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินที่เป็นอาสวะเป็นนิสัยจนกลายเป็นจริตที่เรียกว่าจริตนิสัยโทสะจริตชอบโกรธโกรธเร็วไม่มีเหตุมีผลอะไรชอบถือชอบถือแล้วก็โกรธ เรียกว่าโทสะจริตต้องรู้ในในจิตของเราว่าเราเป็นจริตโทสะจริตบางคนก็มีโทสะจริตเป็นพ่อเลียนแม่เลี้ยงแล้วก็มีโมหจริตแผน เป็นบริวารบางกิตบางใจก็เป็นราคะจริตราคะจริตนี่ก็ชอบความสวยความงามชอบยินดีอยู่ในความสัมผัสลูกเสียงกินรสโพทพะเครื่องสัมผัสต่างๆ ริสัมผัสรสนี่ยก็เรียกว่าโผธฐะพะคือความสัมผัสรสร อ, อร่อยอันนี้จะเป็นอาการของราคะจริตความไข่ในรสในชาติความไข่ในเสียงหูสัมผัสเสียงก็เป็นโผธฐะเป็นโผฏฐะในเสียง มีความไข่ความยินดีพอใจอยู่กับเสียงไพเราะเสียงสนุกเฮฮาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นราคะจริตราคะจริตเป็นแม่เรียนเป็นพ่อเรียนหรือว่าเป็นฐานแล้วก็มีโทจะโทสะจริตแขวนอีก ทั้งหมดมันมีหกจริตอาการที่ท่านบอกไว้ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธจริต <c oughs> <c oughs> พุทธจริตนี่ชอบเชื่อเชื่อเร็วได้ยินได้ฟังอะไรบ้เชื่อยังไม่ได้ตึกตองด้วยเหตุด้วยผล เพราะฉะนั้นศึกษาให้ดูในจริตของตนเองถ้าหาว่ารู้ว่าตัวของเราเนี่ยชอบโกรธชอบ เ, อเดียดดานอาชอบอิจฉาจิตคิดอิจฉาริษยาโกรธเกลียดก็ให้เจริญเมตตา ให้ภาวนาเมตตาตเจริญเมตตาพรมวิหารเมตตากรุณามุญทิตาอุเบกขากำหนดพินิษพิจารณาถึงเขาถึงเราถึงกิตถึงใจของเขาของเราอคือความเป็นอยู่ของเขาของเราต่างชอบความสุขความสบาย ท้งนั้นไม่มีใครปาถนาความทุกความเดือดร้อนวุ่นวายต้องพิจารณานาน้อมไปในความปาถนาดีต่อตนเองและบุคคลอื่ น, นจึงเป็นการปฏิบัติธรรมะให้ตรงกับจริตนิสัยของตนเองถ้าผู้มีราคะจริต อให้เจริญภาวนามรณานุสติและลึกถึงความตายเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายกินดื่มทำพูดคิดอะไรตายเจริญมรณานุสติอรัุภะ เดินออสุภะคือความตายแล้วก็กลายเป็นของปฏิกูลสัตว์ตายเราตายคนตายอะไรตายแล้วก็เน่าก็เหม็นทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ให้เป็นเครื่องแก้ กับจริตของราคะจริตท้าโมหจริตห้เจริญอาวาันานาปานาสติกำหนดรู้อ ร, รมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ตั้งสติอาวันนี้แหละยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแต่ว่าอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเป็นหลัก เครื่องรู้ของใจเครื่องลึกของสตินี่จะเป็นเครื่องแก่โมหะความหลงความเ พ, เพเ้อเพอโลภะความโลภก็ อาวานามารณาสติเหมือนกันนะั่นแหละรึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดี๋ยวให้รู้จักจริตของตนเองรู้จักว่าใจของเรามันมีโรคอะไรโรคใจนั่นแหละเอายาเข้าไปแก้เอาธรรมโอสดเป็นยา บายรมแต่ละอย่างละอย่างเข้ามากำหนดรูเข้ามาพินิจพิจารณาเป็นอารมณ์เครื่องรูของใจเครื่องระลึกของสติจนให้เกิดความรูแม้แจ่มแจ้งด้วยความเพียรไม่ทอถทอนี่เมื่อให้เมื่อให้ยาตรงกับโรคโรคนั่นจึงจะหาย โรค ก, กายก็เหมือนกันโรคใจก็เหมือนกันโรค ก, กายก็รู้ว่าเป็นโรคลำไส้โรคกระเพาะอะไรก็หมอก็จะให้ยาไปตามสมุทฐานของโรคนั้นนั่นก็จะสงบทำให้โรคมันสงบระงับได้โรคของใจเหมือนกันธรรมะของพุทธเจ้าทรงประทานไว้มีแปดหมื่นสี่พันพัทธรรมขัน มากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นลูกจะเลือกเอาอุบายที่จะมาแก้ที่จะมาปฏิบัติเพื่อรักษาโรคใจนี่ให้มันหายจากโรคโรคโรคโกรธโรคหลงนี่แหละใจจึงจะสบายเมื่อมันมีโรคในใจละ ใจก็สบายได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่คู่ควรกับกจิตใจที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่เหตุและผลนั่นจะเป็นผู้เข้าถึงธรรมเห็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะตามเป็นจริงแล้วก็จะ บรรเทาทุกข์หรือจนถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ตามเหตุผลแห่งการกระทาการปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติให้เข้าถึงสติธรรมสมาธิธรรมเข้าถึงปัญญาธรรมจนประชุมรวมเสียงสมาธิปัญญามีกำลังเต็มที่รวมมรรคแปด รวมมักแปด ล, ลงเป็นหนึ่งทัานเรียกว่าเอกมักใช้ความรู้ความเห็นแจมแจม้งท่นเดียวน่ะไปซุมลงที่ใจที่ผู้รู้รนั่นแหละเรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นรู้ขึ้นรู้ด้วยเห็นความเป็นจริงด้วย แต่ว่าเห็นเหตุเห็นผลหรือเห็นลักษณะตามเป็นจริงด้วยรู้ความจริงด้วยเห็นความจริงด้วยอันเรียกว่าสติสมาธิปัญญาประชุมรวมลงที่ใจ <c oughs> ที่เป็นธรรมชาติรู้รู้ขึ้นมาตรงนั้นว่ารู้แจ้งโรค หรือรู้แจ้งเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตใจของเราเหมือนกันคำว่ารู้แจ้งโลกคือรู้หมดรู้หมดรู้สว่างหมดทั้งกายทั้งใจรู้กายรู้ใจตามเป็นจริง รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาประชุมรวมลงเอกมรกความรู้ที่มีกำลังของสติสมาธิปัญญาเพราะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกล่ เป็นเครื่องขัดเกาสิ่งเศร้าหมองที่ปกคลุมความรู้คือใจนี่อยู่ให้หมดจดออกไปที่นี่ก็เหลือแต่ความรู้เด่นตามเป็นริงภายในใจเพราะว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายมันเหมือนกันกันกบอถ้าหาว่าเป็น ตะเกียงเหมือนกับขมเอวขมเมาก็เกิดควรนก็เกิดจากไฟแหลมะมือเกาะโปะตะเกียงเมือเกาะแก้วครอบจึงทำให้แก้วนั้นดำเมื่อแก้วดำแสงของไฟก็ไม่สว่างสวัยหรือว่าหลอดไฟเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวน่น เมื่อแสงออกมามันก็เป็นลักษณะแดงเขียวเหลืองไปตามแต่ความจริงอสีของไฟภายในนั่นมันก็เป็นแสงแห่งความสว่างที่ไม่สว่างเพราะขมาเพราะเครื่องครอบเมื่อเช็ดขมาออกจากแก้ว ให้มันสะอาดเป็นแก้วใสล่ะแสงไฟนั่นกระจ้าเรียกว่าสว่างเต็มที่ในเรื่องของใจที่ถูกความหลงปกคุมให้เกิดความโลภความโกรธความเล่าร่อนที่นี่เมื่อมันมีความโลภความโกรธอาการแห่งความเล่าล่อนความเศร้าหมองความทุกข์ความไม่สบายใจอึดอัดใจฟุ่งซ่านลาคาญใจ นัน่นแหะมันเกิดมาจากตรงนั้นแหละเมื่อมาจับตัวความจริงได้จับตัวธทรรมที่จริงได้ด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วนั้นมันเกิดสิ้นสงสัยกันเมื่อมันสิ้นสงสัยด้วยความรู้จริงเห็นจริงเหล่าความหลงก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่มี ความโกรธก็ไม่มีเลยสิ่งเหล่านั้นสงบระงับไปด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาประสมรวมลงเป็นมรคนเดียวทำความสว่างสวยัยทำวิ ช, ชาให้แจ่มแจ้งภายในใจได้นี่คือให้รู้ให้รู้เรื่องของ กายของใจเนี่ยการปฏิบัติทำปฏิบัติภาวนาเนี่ยเพราะสั้นท่านจึงว่าให้ดูกายให้ดูใจคำนดรูกายคำนวรูใจให้สติละล ร, ล ะ, ล ร, ต ร, รละลึกรู้ในกายระลึกรู้ในจิตคือความนึกความคิดหรือระลึกรู้ใน ทำคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนี่จะเป็นการขัดเกลาความทุกข์ความเร้าร้อนที่เกิดจากความหลงความไม่รู้มันจะสงบระงับไปเบาบางลงไปเมื่อรู้กายรู้ใจ ตามเป็นจริงแล้วความโกรธที่เคยมีมากมายมันก็จะสงบเบาบางไปความโรคทะเยอทายานเลยขอบเขตก็จะเบาบางลงไปความหลงมัวเมายึดมัน่นถือมัน่นยึดนั่นถือนี่มันก็จะเบาบางลงไปเมื่อเจริญมากให แกมแจ้งเต็มที่จนเป็นอินทรีอินทรีพระเป็นอินทรีห้าพระห้าคือความเด่นแห่งสติสมาธิปัญญามันก็จะแกมแจ้งหมดเข้าใจหมดเข้าใจในสมมุติเข้าใจในกายในจิต ก็จะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงของกายของของลูกของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่านเียวเห็นความไม่เที่ยงของขันห้าเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของขันห้าก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งอาศัยของขันห้าทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงของปัจจัยเครื่องอาศัย ของขันห้าเห็นลงเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเรียกว่ารู้ทำเห็นทำตามเป็นจริงมันจะเห็นละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยจนเห็นความสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็จะรู้ตัดสินด้วยตนเองในจิตของตนเองนั่น นี่อาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยการกระทาเรียงว่าธรรมะเป็นยารักษาโรคใจยาสมุนไพรกายนอกเป็นยารักษาโรคกายธรรมะจึงเป็นธรรมะโอสถ นี่อาการที่เกิดของโรคโรคหูโรคจะคลุกจะคุโรโคโรคตาโสตะโรคโคโรคหูคานะโรโคโรคจมูกชิวหาโรคโคโรคริ้นกายโรโคโรค ได้มนนะโหรโรคของใจคือสัญญาอารมณ์ต่างๆเป็นโลกของใจเป็นโลกลบกวนใจแล้วก็สัญญาอารมณ์แห่งการรู้เห็นทางตาจะเป็นโลก เป็นโลกตาแต่ก็ส่งเข้าไปเป็นโลกใจโลกหูก็ส่งเข้าไปเป็นโลกใจไปรวมที่ใจแหละเป็นจุดใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมารู้ตาสองดวงจมูกสองช่องหูสองข้าง ปากหนึ่งช่องแล้วก็ใจนี่รวมเป็นอาการแปดมีสติรู้เท่ารู้ทันรอบรู้อาการภายนอกแปดอย่างนี่แหละแลีก็เอาเอาอะไรมารู้เท่ารู้ทัน เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาหรือว่าเอาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นสอบสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละรวมเลยเอาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมารู้รอบหรือมาก ขัดสีมะไข่ควรอยู่กับตาสองช่องจมูกสองรูหูสองข้างปากหนึ่งช่องแล้วก็ใจนี่เรียว่าเป็นต้นต่อของมรคแปดเป็นที่เกิดเป็นที่รวมของมรคมีองแปด ตาเป็นผู้เห็นตาเป็นประตูเป็นสัญญาณให้เห็นหูเป็นเห็นรูปหูเป็นสัญญาณให้ได้ยินเสียงจมูกเป็นสัญญาณให้รู้จินริ่นเป็นสัญญาณให้รู้รสกายเป็นสัญญาณให้รู้ทั่ว พัฒนะใจเป็นสัญญาณให้รู้สัญญารมต่างๆในไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นพราพิสปิบัติธรรมมาแยกแยะมารู้เท่ารู้ทันในนี่แหละจึงว่าในกายในจิตนี่แหละในรูปในนามนี่ จึงจะทําให้ความรู้นี่สบายสบายว่าไม่มีทุกข์ทางใจถึงแม้ทางกายมันมีทุกข์ก็เป็นทุกข์สัตว์เป็นสัตว์จากความจริงของเขาความเก็บความปวดความแปรปวนของรูปเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไว้ตามสภาพแห่งความจริงของเขา สภาพของใจแท้ไม่มีทุกข์ก็จึงจะปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดไปจึงจะเลือแต่ใจที่ไม่ทุกข์ธรรมชาติที่ไม่มีทุกข์คือใจนี่ที่สุดแห่งทุกข์สิ้นสุดลงที่ใจเกิดก็เกิดอยู่ที่ใจดับว่าหยุดดับอยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นโอสถเป็นยารักษาให้ทุกทางใจนี่สิ้นสุดลงจะไปเอาสิ่งอื่นแก้ความทุกข์นี่แก้ได้นิดๆในหน่นนอยแก้ให้สิ้นสุดโดยสิ้นเชิงไม่ได้ต้องเอาธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่แ มาแก้มาขัดมาสีมาขัดเกลามาเผาผานอาสวะทั้งหลายที่เกิดอยู่กับใจเผาผานด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นตะปะเป็นตะปะรรมเครื่องแผดเผาให้ความโรคความโกรธความหลงสิ้นสุดอำนาจไป เยวแต่ความรู้ตามเป็นจริงเใจสบายอ๋อ <c oughs> เอาละมัน <c oughs> เพิ่มอีกก็เพิ่มไปยาว <c oughs>